รู้สึกไปอย่างใจสบายสบายจะสงบหรือไม่สงบไม่เป็นไรนะรู้สึกไปสบายสบายเดี๋ยวเขาสงบพขเองก็นั่งสบายๆใจหนีไปคิดรู้ทันเราไม่ปล่อยให้เคลิมนั่งไปนะใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งอยู่ก็รู้ใจไปคิดก็รู้นั่งเรารู้ทันใจ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 ปกติถ้ามันเข้าสู่ความสงบนล้จิตมันถอนของมันเองก็ค่อยออกมาแต่ถ้าเรามีทุระจำเป็นจะต้องออกเร็วๆนะอย่าไปฝืนใจให้ออกหายใจให้แรงขึ้นเลยทาความรู้สึกตัวนะหายใจให้แรงขึ้นเอาหายใจให้แรงขึ้นหน่อยอากาศเยอะที่นี่นะออกซิเจนเยอะล้วก็ลืมตาขึ้นมาบางคนท่าจะไม่ยอมลืมอีกแล้ว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 ถ้าขาดสติเมื่อไร่จิตเป็นอกุศลเมื่อนั้นเราจำหลักให้แม่นนะหลวงพ่อเคยทําผิดมาก่อนมีอยู่บางช่วงตอนเด็กๆเราสังเกตว่าเวลาจิตสงบนั้นมันค่ายๆมันตัดความรับรู้ข้างนอกออกไปเราก็จงใจเลยไม่รับรู้ข้างนอกนั้นน้อมใจไปอย่างนี้เนาะก็ตัดค่ายๆตัดความรับรู้ไปนะก็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 โดยเฉพาะคนที่มาเข้าคอร์สบางคนติดสมาธิมาก่อนฝึกสมาธิซึมๆมาก่อนถ้าอะไรจิตซึมเครื่องซึมไปนะจิตนิ่งๆทื่อๆซึมๆเบลเบลเออๆอจิตอกุศลแล้วจิตที่เป็นกุศ ล, ลต้องมีสติมีความปรัดเปลียวว่องไวอะไรแปลก ป, ปลอมขึ้นในกายรู้สึกอะไรแปลก ป, ปลอมขึ้นในจิตรู้สึก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 ขันจิตใจตัวเองงั้นจิตที่เป็นอกุศลนะี่มันจะมีน้ําหนักขึ้นมาจิตที่เป็นกุศลมันจะเบานะแล้วจิตที่เป็นกุศลมันจะนุ่มนวลถ้ามันแข็งแข็งนะกระด้างกระด้างนะ น, นั้นเป็นอกุศลแน่นอนเนี่ยถ้าเราไม่ได้เคยศึกษาเรื่องของจิตการศึกษาเรื่องของจิตเรียกว่าจิตสิกขาถ้าไม่มีจิตสิทธิขานะเราแยกไม่ออกด้วยซ้ําไปว่าจิตอะไรเป็นกุศลจิตอะไรเป็นอกุศล เรากลับไปหลงสร้างอากูสโรจิตขึ้นม า, นาชคิดว่า น, นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมไปสร้างอากุศโขึ้นมามันจะไปปฏิบัติอะไรไมันไปสร้างเตรียมสร้างพบสร้างภูมิที่เร็วๆ ร, รออยู่ข้างหน้านั่งแล้วก็ฟุ้งไปเรื่อยๆนะก็เตรียมไปเป็นเป็นตัวอะไรฟุ้งสร้าง เ, เดรัจฉานนั่งแล้วก็ซึมกระถือหงอยหงอยเงื้องเงือ ง, ง, องเป็นตัวอะไร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 จิตที่สงบอย่างเดียวเนี่ยวิธีฝึกก็ต้องรู้ก่อนว่าทำไมจิตไม่สงบจิตไม่สงบเพราะจิตแสบใส่ไปหาอารมณ์น้นที่หนึ่งอารมณ์นี้ที่หนึ่งจนะฝึกให้จิตสงบก็หาอารมณ์ที่จิตพอใจมาเป็นเหยื่อล่อใครพูดโธแล้วสบายใจพุโทโธไปใครรู้ลมหายใจแล้วสบายใจก็รู้ลมหายใจไปใครรู้ท้องพองยุบแล้วสบายใจรู้ท้องหองยุบไป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 ถามจริงดินทาคนอื่นมีความสุขไหมมันนะมันนะไม่มันไม่เมาได้ทั้งวันหรอกถามว่าเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลนะมันฟู้งซ้านนึก อ, ออกไหมมันฟุ้งซ่านแสดงว่ามีโมหะเอ๊ะแล้วทําไมมีความสุขมีโมหะอยู่มีความสุขความสุขเกิดร่วมกับโลภะมูลจิตได้เพราะฉะนั้นจิตที่มีความสุข ในตอนนินทาเขาเนี่ยเป็นจิต ท, ที่เป็นโลภะโลภะมูลจิตนี่ไม่เรียนนะก็เซิร์ฟเสิร์ฟตายเลยภาวนาลม้มลุกๆุกลครานแะลรู้หลักนะัง่ายนิดเดียวเลยหลวงพ่อนะั้นแทบเขอหัวตัวเองเลยภาวนามาพอสมควรแล้วนะเป็นนั่งอ่านปริยัติอานาภิธรรมอะไราเงี้ยโอโหเราทําไมเราไม่อ่านซะก่อนวะนีะ่ภาวนาจะง่ายกว่านี้เยอะเลย แต่มันนึกอีกทีนะถ้าเราไปอ่านก่อนเราคงไม่ภาวนาเพราะคงอ่านไปเรื่อยแล้วมันคิดไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่พอภาวนาเป็นนะเรามาอ่านโอ้โหสะใจมันรู้เลยว่าที่ท่านสอนไว้นะเป๊ะๆ เ, เ, เลยเพียงแต่ว่าคนที่เรียนเฉยๆนะมันไม่เห็นสภาวะตีความเพียนออกไปอีกสุดท้ายก็ตีความนั่นแหละเพราะว่าไม่เห็นสภาวะของจริงเลภาวนาไม่รอดนะถ้าเห็นสภาวะของจริงแล้วก็ไปอ่านอนภะิธรรมอะไรโอ้โห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 ถ้าจิตอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขแล้วไม่ยั่วกิเลสนะจิตจะเป็นกุศลขึ้นมาสงบมีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบเมื่อก่อนไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบนะนั่งภาวนาโอ้ฝึกกันนานที่แท้ง่ายนิดเดียวเลยนะจิตอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขจิตก็สงบนะั่นแหละแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลนะถ้ามีความสุขมีความสงบขึ้นมาไม่งั้นจะเป็นโลภะ นี้ถ้ามาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจะทำยังไงจิตผู้รู้มันตรงข้ามกับจิตผู้คิดจิตผู้รู้มันตรงข้ามกับจิตผู้คิดจิตของเราคิดทั้งวันไึน่ออกไหมคิดทั้งคืนไหมเกือบทั้งคืนคิดทั้งวันไหมเกือบทั้งวันแล้วตอนไหนที่ไม่ได้คิดตอนลงผวังไงกลางคืนก็มีลงผวังนะกลางวันก็ลงผวังนะ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 อันนี้สอนแบบรบรัดนะถ้าสอนให้ครอบกลุ่มให้หมดนะหลวงปู่ดูลสอนว่าจิตส่งออกนอกจินส่งออกนอกคือส่งไปทางตาส่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจส่งไปทางตาส่งไปดูทาได้อย่างเดียวส่งไปดูส่งไปทางหูทาได้อย่างเดียวส่งไปฝังส่งไปทางใจทาได้เยอะแยะเลยเผลอไปคิดก็ได้ใช่ไหมจงใจคิดก็ได้เผลอไปเพ่งอยู่ก็ได้ นะมีสติอยู่ก็ไดนะ้ถ้ามีสติก็ไม่เรียกเผลอลนะแล้วทางใจนี่ทำงานได้สารพัดเลยนะทั้งดีก็ได้ทั้งชั่วก็ได้ทั้งสุขก็ได้ทั้งทุกข์ก็ได้นะงั้นปรุงตลอดเวลาถ้าจิตหลงไปทํางานทางใจแล้วไม่รู้ทันหลวงปู่ดุลเรียกออกนอกเหมือนกันนะงั้นอย่างบางทีเราเห็นสภาวะไหวยิบยับขึ้นกลางหน้าอกนะเราไปถลําลงไปดูที่กลางหน้าอกหลวงปู่ดุลเรียกออกนอกแล้ว อ, อนอกแล้วเงั้นเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปนี่หลวงพ่อมองว่าถ้าเรียนตั้งหกทวารเนนะีเรียนยากเรียนยากจิตหลงไปจิตไหลไปทางไหนมากที่สุดหลายทางใจมากที่สุดเด้อไหาทางใจไหลไปทําอะไรมากที่สุดไหลไปคิดไหลไปคิดมากที่สุดไหลไปเพ่งมากไหมสําหรับคนติดสมถะไหลไปเพ่งมากแล้วคนทั่วๆไปไหลไปคิดมาก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 พระนุรุตพรานุรุตใครรู้ท ร, รมานุปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหันต์พระพุทธเจ้าความจริงแต่ละอย่างแต่ละอันนะมีหลายองค์นะไม่ใช่มีองค์เดียวหรอกหลักฐานมันมีอยู่นะไม่ใช่ลงมาที่เดียวเองนะชี้ขาดต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้สมัยก่อนหลงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ไม่ได้มาสั่งเลยวนะ่าให้ไปดูกาย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 พวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมาดูธรรมานุปัสสนากับจิตานุปัสสนาะสองอันจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเหมาะก็พวกคิดมากจิตนี่กลับกรอกกลับกรอกยอกย้อนนะตามรู้ตามดูมันไม่ต้องใช่เหตุผลอะไรนะดูเข้าไปซื่อเลยนะจะเห็นเลยกระทั่งจิตตัวเองนะเสียงหมดเวลามัเสียนหายไปหมดแนะ ไม่ได้เอาภาพพันคอมาเสพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะมันดูจิตใช้จิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาเพราะมันแสดงความกลับกรอกแสดงการว่ากูไม่เก่งจริงหรอกกูบังคับอะไรไม่ได้สักอย่างนะจิตใจวักแวกวกแวกบังคับได้ไหมที่นึกว่ากูแน่กูแน่เจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะั่งเจอของจริงเข้าจ่อย หาคนชั่วเท่านี้หายากแล้วนะไม่ใช่กูเก่งกว่าคนอื่นแล้วนะไม่ใช่กูแน่กูหนึ่งต้องอย่างนี้แหละต้องอย่างนี้นะถึงจะถูกต้องอย่างนี้เลยต้องทีไรผิดทุกทีเลยเนื่องที่พวกเราภานารู้สึกไหมทําอย่างเงี้ถูกหร้อมปลาถูกสองวันนละ้ผิดอีกแล้วทําอะไรก็ผิดหมดเลยไม่ทําผิดมากกว่าเรื่องระหว่างนะเนี่ยเราต้องเรียนนะสิ่งเหล่านี้ดูนิสัยตัวเอง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 งานก็เราเอาของง่ายๆดูความเปลี่ยนแปลงดูความปรุงแต่งของจิตไปนี่บางคนมาเถียงหลวงพ่อนะบอกดูจิตนั่นต้องไปดูตัวจิตไม่ใช่ดูสังขารก็จิตตาโนปัสสนาท่านสอนเรื่องจิตตาสังขารทั้งนั้นเนลยหลวงปู่ดุลบอกว่าดูจิตน ไ, ไปเพ่งจิตนะใช้ไม่ได้หรอกหลวงปู่มั่นสอนให้หลวงปู่ดุลดูจิตหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าสัพเพสังขารานะสังขาร น, นะ สเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสเพสังขาราสัพพสัญญานัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตนเห็นไหมสอนให้ดูอะไรดูสัญญาดูสังขารเห็นไหมเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านเลือกให้หลวงปู่ดูลแค่นี้หมดหรือยังยังไม่หมดความจริงเหลือเวทนาอีกตัว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 รู้อย่างเดียวว่ามันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ถ้าภาวนายังไม่ถึงธรรมก็ไม่ถึงจิตเหรา ะ, ะ น, นพวกเราไม่มีหรอกจิตเพียวๆที่จะเห็นได้น่นไม่มีเราไม่เคยเห็นตัวธรรมธาตุแท้แทตัวธรรมธาตุตัววิญญาณธาตุแท้เราไม่เห็นนเราเห็นแต่จิตสังขารเห็นแต่จิตสังขารสังคิตสังขารเกิดจากอะไรเกิดจากสัญญาและเวทนาเนี้ยหลวงปู่ดูลนะัตจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเวทนาไม่จําเป็น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 แต่ว่าท่านจะเลือกให้ส่วนท่านสอนเราแค่นี้เราก็เรียนแค่นี้ก็จบแค่นี้เวลาเราไปสอนต่อเราไปสอนได้แค่เท่าที่เราเคยเรียนนะเรยบอกแค่นั้นเองลูกศิษย์เราไปได้อีกส่วนหนึ่งสอบไปวิทยา ย, ยุทธ์ค่อยๆหายไปแต่ละรุ่นนั้นค่อยเรียวเรียวเรหายไปงั้นรู้ปริยัติไม่บ้างก็ดีนะจะทรงจำพระธรรมวินยัยไม่ได้ครบถ้วนไหนลยนะอย่าไปดูถูกปริยัตินะของดีๆเยอะเลย อาเชิญไปทานข้าว